พระธรรมเทศนาแผ่นที่84ลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่า น, านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25ธันวาคม2558มีชื่อเรื่องว่าสุขในโลกนี้มีแต่ของปลอม วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมพุทธศักราชสอง8ันห้าร้อยห้าสิบแปดเมื่อเช้าคณะจทธาญาติโยงเข้ามาตักบาทเป็นวันพระใหญ่เป็นวันขึ้นสิบห้า่ำเดือนหนึ่งตอ น, นเดือนหนึ่งแผ่นแต่ตอนเที่ยงวันนี้ พวกเราก็ได้ลงอุโบสถจบลงสักครู่นี้เป็นการลงอุโบสถพระทั้งหมด43รูปที่ลงอุโบสถในวันนี้พวกเราก็ได้ฟังพระปฏิโมกจบลงสินและวินยัยที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อเช้าเป็นการทบทวนเรื่องสินเวและวินยัย ที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้เมื่อพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วพวกเราเป็นพระสงฆ์ก็ต้องนํามาปฏิบัติตามกฎระเบียบเพราะการอยู่ด้วยกันหลายองค์ต่างองค์ต่างอยู่ไม่มีก ฎ, ไ ม, มกฎไม่มีระเบียบก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีกฎระเบียบการอยู่ด้วยกัน วันนั้นจึงมีศีลศีลก็คือกฎหมายของพระนั่นแหละพูดง่ายๆนะกฎปกครองคณาสงฆ์คือศีลและวินยัยธรรมและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นเมื่อตถาคตผ่านไปแล้วปรินิพานไปแล้วธรรมและวินัยนั่นแลจะเป็นศาสดาอา่า ของพวกท่านทั้งหลายคือทำวินยัยพระพุทธเจ้าวางไว้อวัตธรรมวินัยนี่แหละที่เป็นาศาสดาแทนพระพุทธเจ้าให้พวกเราเคารพทำวินัยกัเคารพเหมือนเคารพพระาศาสตราสำมาสั ม, ม, สมพพระเจ้าคือต้นาศาสนาเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติทำวินยัยให้พวกเราเป็นแนวทางสําหรับให้ประพฤติธปฏิบัติเพราะนั้น พวกเราจึงถือความสาคัญในศิลและวินยัยทกสิบห้าวันกลึงเดือนปลายเดือนพวกเราก็ได้ทบทวนได้ปีพระขึ้นมานั่งสวดพวกเราก็ปน ม, มือฟังอย่างที่เมื่อกี้นี่แหละแต่ทั้งยังไงเราฟังเป็นพระเป็นภาษาบาลาีแต่เป็นการเตือนบอกกล่าวว่านี่คือศิลและวินยัยแต่ถ้าพวกเราอยากจะรู้ ในกฎระเบียบก็มีหนังสื อ, อพระปฏิโมกข้างข้างหนึ่งอัดแล้วก็ข้างหนึ่งก็แปลเป็นภาษาไทยถ้าเราอยากจะรู้ในรายละเอียดเข้าไปอกีกเราไปอ่านในนวโกวาทสิน227อย่จตั้งแต่อนุสาสตร์กิจที่ควรทำกิจที่ไม่ควรทำาจากท่านก็พูดถึงปราชิกสังฆาทิเศษอนิยต นิส ก, กียปาจิตติจนถึง2องยยีถ้าว่าเราอยากจะรู้ในรายละเอียดไปกว่านั้นอีกเป็นภาษาไทยเข้าใจได้ง่ายก็เจ้าปกคุณสมเด็จมหาสั ม, มาณะเจ้าท่านกอบพิมพ์ไว้ในวินัยมุกเล่มหนึ่งอธิบายให้ฟังในรายละเอียดที่ท่วนพอสมควรแต่เราอยากจะรู้ว่าเป็นมาความเป็นมาของวินัยเนี่ย เป็นมาอย่างไรเราก็ไปคตคว้าศึกษาในพระไตรปิฎกมีหลายฉบับพระไตรปิฎกของวัดบรวร ก, มม ก, นะก็มีของมหามกุกก็มีของอะไรกรมของกรมการศาสนาก็มีของอสอธรรมพักตีก็มีมีหลายมีหลายฉบับให้เราไปอ่าน อความเป็นมาของพินัยสิกขาบทที่หนึง่งไพรเป็นเป็นผู้ละเมิดเป็นผู้กระทําผิดก่อนเพื่อนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติมีองค์ไหนมัง่งเป็นมาอย่างไรมีหมดเลยนะันะ่นนะเป็นนิทานและเป็นชาดกหรือเป็นเรื่องราวที่ไหน อ, องค์ที่หนึ่งทำลงไปองค์ที่สองที่สามที่สี่มีหมดอยู่ในพระพินไหนสาเหตุแห่งบัญญัติพินไหนต้องมีเหตุซะก่อน มีเหตุเจ้ก่อนจึงบัญญัติวิทยในจึงเป็นผลออกมาเหมือนกับกฎหมายนะถ้ายังไม่มีเขาก็ยังเาก็ยังไม่มีกฎหมายถ้ามันใครทำผิดแล้วทำใหค้คนอื่นเดือดร้อนขึ้นมาเขาจึงบัญญัติตราเป็นกฎหมายออกมาคุ้มครองนะนี่คนลักษณะอย่างนั้นนะ่ะพระพุทธเจ้าท่านพระสงฆ์อยู่ด้วยกันมากมาย แต่อยู่ถ้าไม่มีอะไรต่างองค์ต่างอยู่ต่างไม่คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้ความเกงรงเคารพกันก็ไม่มีปัญหาแต่บางองค์เป็นพระที่ดื้อด้านไม่มีฮิลิโอ ต, ตปาทําให้คนอื่นเดือดร้อนนี่แหละพระพุทธเจ้าก็บัญญัติศีลและวินยัยแต่ก็น่าเคารพนะน่าเคารพน่าจกย่องอยู่ถ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกข้าบทไหนแล้ว พระในครั้งพุทธกาลจะท่านจะไม่ทำอีกในเรื่องนั้นท่านเคารพในเคารพในสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าที่ในท่านที่ท่านได้บัญญัติไว้แล้วถ้าพวกเราได้อ่านได้ศึกษาแล้วอพอพระพุทธเจ้าบัญญัติตราเป็นกฎระเบียบห ร, รือว่าเป็นวินัยออกมาแล้วนะพระสงฆ์ทั้งหลายในยุคนั้นสมัยนั้นต่างคงก็ต่างเคารพในวินัยจะไม่ ล่วงเกินไม่ล่วงละเมิดในศินและวิ น, นัยพราะเขาเคารพในพุทธวจนะหรือเคารพในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำครอบทำความผิดเข้ออื่นพอทําความผิดเข้ออื่นพระพระพุทธเจ้าก็บัญญัติวินยัยแต่ฟังฟังดูแล้วโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะถ้าว่าพวกเราคิดว่าพวกเราในะยุ่งเหยิงฟุ่นไวน ในเรื่องกฎระเบียบทักไปฟังในหลักธรรมคำสอนที่เราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะพระเนนน้องหนุง่งทางหลายไม่ใช่ธรรมดาพระพระพุทธเจ้าบัญญัติวินยัยก่อนที่จะเป็นพุทธศาสนามาได้แต่พวกเราได้ศึกษาดูแล้วนะแต่ถึงยังไงก็าตามในเมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาแล้วนะพระสงฆ์ก็นํามาประพฤติปฏิบัติแล้วนะ พวกเราที่อยู่สุดท้ายปลายแดนสุดท้ายภายหลังเราก็เคารพจิตและวินัยของพระพุทธเจ้าสิ่งไหนที่เรารู้แล้วว่ามันผิดเราก็อย่าทำก็ไม่เห็นจะลาบากที่ตรงไหนพระเป็นกฎระเบียบพระในครั้งพระพุทธเจ้าทำได้แต่ทำไมเราทำไม่ได้มาถึงพวกเราเราก็ทำได้ไม่มีอะไรสรุปแล้วก็คือความผาสุก ข, ของหมู่คณะความผาสุก ข, ของสง ความถูกต้องตามหลักธรรมวินัยความถูกต้องตามกฎระเบียบที่การอยู่ด้วยกันมากมายจะจะให้อยากจะทำะํำตามอยากจะพูดตามมัฏฏาใจอยากจะทําตามมัฏาใจอยากจะคิดตามวัฏาใจของตัวเองก็ไม่ควรจะอยู่กับหมูควรไปอยู่ตามลําพังคนเดียวถ้าอยู่กับหมูขึ้นมาแล้วก็เราก็ต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันการอยู่ด้วยกัน นี่แหละจึงมีวินัยขึ้นมานี่แหละเรื่องวินัยวินัยนะเรื่องศีล น, นะไม่ใช่อื่นไกลนะลูกหลานพระเนรลูกหลานทุกองค์นะคือทําวินัยก็คือกดระเบียบคือกฎหมายแต่ท่านบรรยุทธบัญญัติกฎหมายทําวินัยขึ้นมากับเพื่ออะไรกับเพื่อความผาสุกเพื่อมุ่งมั่นไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้นะท่านพาะการอยู่ในหลักธรรมคาสอนของพุทธะ แเมื่อพวกเราอยู่ด้วยกัน ร, ร่มเย็นเป็นสุขแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราก็หมนุนวางจิตใจแล้วว่าตั้งมั่น เ, เข้าสู่มรรคผลนิพพานเลยทีนี้จุดหมายปลายทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ในกฎระเบียบนี้แห่งเดียวนะใครเขา้ากฎระเบียบเนี่ยเป็นรั้วกัน้นการอยู่ด้วยกันไม่ให้มีปัญหา ในเมื่อไม่มีปัญหาแล้วเราก็ตั้งใจภาวนาหาทาง พ, นพ้นทุกอย่างจุดหมายปลายทางแล้วจุดที่พระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้น่ะพระอนุตระสัมมาสัมพุทธญาณอันนั้นจะเกิจุดใหญ่จุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าคือชําระกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจไม่ให้มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏสงสารให้เดิน ตรงแนวต่อภายในผ่านให้เห็นให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายโลกอันนี้คือความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านได้ค้นคว้าศึกษาความสุขของมนุษย์ความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรให้พวกเราหาด้วยสิมีเงินคาทรัพ์สมบัติมากมากใช่ไหมเงินความสุขก็ไม่ใช่ ถ้ามีมากมากขึ้นมาก็วิตกกังวลกลัวเขาจะมาชิงมาคดมาโกงมาเบียดมาบังในมาแข่งดีแข่งชิงดีชิงเด่นแข่งแขงกับเราอีกมันก็ทกใหญ่อีกเหมือนกันจะทำยังไงจึงเราจึงเอาชนะเสี่ยงรอบด้านรอบข้างได้เมื่อมียศขึ้นมาก็เหมือนกันเมื่อเรามียศขึ้นมามียศสูงขึ้นมาแล้วก็ผู้ที่จะมาแข่ง ตัดขาเลื่อยขาเก้าอี้เราก็มีเอกทุกเอกแต่ไหนนะเมื่อเขาจะรเสริญขึ้นมาแล้วอถ้าเราบางคนก็อิจฉาเอกมาเขาหาเรื่องใส่เอกจริงแล้วไม่จริงก็ใหม่โลกเขาเนินท้าเข้ามาคํานินท้านี่ก็ปากต่อปากคําต่อคําก็ไปอีกเราก็เป็นทุกเอกเหมือนกันเราไม่ได้พูดอย่างนั้นเราไม่ได้ทําอย่างนี้ทําไมเขาจึงหาเรื่องใส่เราจงอย่างนี้ก็ว่ากันไปเลย น, นี้ไะ สรุปแล้วก็คือความสุขที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติทั้งคืออะไร mm. พระพุทธองค์มองไม่เห็นมองหาไม่เจ อ, เอมีแต่จะชําระกายชําระใจข อ, ของเราให้หมดจดจากกิเลตน่ะไม่ให้ไม่ให้มาเวียนไหวตายเกิดนั่นแหละคือเป็นความสุขที่แท้จริงจะทําอย่างไรจะทําจุดนั้นจึงจะชําระกิเลสได้ พระพุทธองค์ท่านก่อเนี่ยท่านบ่มเพนบ่มเพนที่โขนต้นโพเป็นหลักอันนั้นคือพระพุทธเจ้าอจากนั้นก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่มั่นของพวกเราหลวงตามหาบัวของพวกเราที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยท่านก็แนะนําสั่งสอนในธทำมาลิกิตของท่านในเอ็มพีสามของท่านที่ท่านว่ากล่าวตักเตือนพวกเราให้ทําสมาธิอย่างไร ให้พิจารณาอย่างไรจึงจะชำระจิตใจให้หมดจดจากกิเลสในจุดนั้นอันนี้ก็ท่านก็สอนไว้มากทีเดียวแต่พวกเราจะนำมาประพฤติปฏิบัติอย่างไรอย่างที่ท่านบอกว่าเนี่ยโรคก็คือร่างกายเวทนาคือความเจ็บป่วยเจ็บไข้ สัญญาคือคือความจำได้มารู้สังขารคือความปรุงแต่งวิญญาณคือความระพรุเรื่องต่างๆนี่แหละอั น, นี้เพราะว่าในตัวของเรามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนของเรานะคิดดูให้ดีกันนะนี่แหละท่านบบขนาดอยู่ในตัวของเราแท้ๆยังปฏิเสธว่าไม่ใช่ตัวตนของเราถ้ามันเป็นตัวตนของเรา รูปอย่าแก่นะอย่าเจ็บอย่าตายนะบอกได้ไหมไม่ได้ เ, เวทนาเออมันเจ็บปวดขนาดยังเป็นของเราอยู่ใช่ไหมมันก็ไม่น่าจะยืดหดเป็นของเราเพราะมันเจ็บปวดสัญญ า, าคือความจําได้หมายรู้เดีวก็จํานั้นน่นก็จำเรื่องนั้นก็ลืมนั้นนั่นเก็ลืมเรื่องนี้นี่แหละสัญญาคือความจําได้หมายรู้ไม่ใช่จะจําอย่างนี้มันลืมด้วยถ้าจําไม่รู้จักลืมอีกไม่ได้เจนี่ย ก็เป็นทกอีกเหมือนกันสัญญาสังขารคือความปรุงแต่งในความคิดคิดนั้นคิดนี้คิดนี้คิดนั้นแหมปรุงแต่งวิญญาณวิญญาณคือเรื่องรับรู้ในการปรุงแต่งในเรื่องต่างๆรับรู้รับรู้ผู้วิญญาณแหมดูแลก็มันก็หมดไปเหมือนกันไม่ใช่รู้ไว้ตลอดไม่ใช่มันก็หลงลืมไปอีกเหมือนกันนี่แหละอันนี้ก็คือในร่างกายของเรา ในตัวของเราทุกๆ ท, ท่านเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะพุทธจ้าวะโลกก็ดีเวทนาก็าดีสัญญาก็าดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีมันเป็นอนัตตานะมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะ่ะสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องปล่อยวางหนีจากสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ตัวตนของเรา แต่ถึงอย่างไรถ้าเราชําระไม่ได้เราก็อยู่ในวังวนของกิเลสราคะโทสะโมหะไปอยู่อย่างนี้ไปตลอดไปแต่เมื่อไรเราได้ชําระใจของเราหลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสกิเลสออกจากใจของเราความโลดความโลภออกไปโลภโกรธหลงออกจากจิตใจของเราราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจของเราใจของเราบริสุทธ จิตใจของเราเป็นอิสระจิตใจของเราไม่อยู่ในที่ครอบกรรมของกิเลสราคะโทสะใจเป็นอิสระใจเป็นเอกเทศใจเป็นอมตะจิตเป็นอมตะธรรมอมตะแปลว่าสิ่งที่มั่นคงถาวรเป็นจิตที่หลุดพ้นจากอาสวะเป็นอีกมิตินึงนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพุทธะ แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายแต่เรื่องของศีลอย่างที่หลวงพอ่อได้พูดเบื้องตน้นเรื่องศีลและวินยัยอันนั้นเป็นพื้นฐานเหมือนกับต้นไม้มันก็ต้องมีก่อนที่จะเราต้องการแก่นเราต้องการแก่นต้นไม้เราจะไปปลูกแก่นทีเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องมีทั้งหลากแก้วหล่างฝ่อฝกฝอยั้งมีทั้งเปลือกมีทั้งกะพี้ แต่ผลใสุมันก็นเป็นแก่นอันนี้ก็เหมือนกันนะนะก่อนที่เราจะต้องการมักผลนผิพพานจุดนั้นเราก็ต้องมีการดูด้วยกันถ้าก่อนมีกฎมีระเบียบมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์ ก, กันดวน้ดวนแล้วจะเป็นเปลือกเป็นกะพีนะ้แต่จุดหมายปลายทางของพระพุทธเจ้าจริงๆหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆจุดประสงค์ จุดประสงค์หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาเป็นเวลาทั้งหกปีอที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจุดนั้นคือจุดไหนนี่แหละจุดที่ชําระกิเลสนะพาหลูกพาหลานทั้งหลายนะออยู่ที่ใจทั้งหมดออยู่ที่ใจชําระใจให้ใจรู้แจ้งเห็นจริงใจไม่ออกจากโลภโกรธหลง จิตใจออกจากเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมจิตใจที่หลุดพ้นจิตใจเข้าสู่นิพพาน น, ะนี่แหละอันนั้นคือจุดประสงค์แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นก็ต้องนี่แหละอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนะประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้แหละคือการอยู่ด้วยกันต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ก็ต่างให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาภาวนารักษาศีลประกอบคุณงามความดี สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูด เ, เรื่องต่างต่า ง, างเรื่องทะเลาะพิวาทกันก็ดีเรื่องอที่ไม่ไร้สาระไร้ประโยชน์ให้พวกเราคิดกันกองไตร่ตรองด้วยเหตุและผลนั่นแหละทําให้เนิ่นช้าเฉยเฉยในะสิ่งเหล่านั้นเพราะเราไม่ใช่ว่าจะอยู่โชกฟ้าดินฉลายตายไม่เป็นไม่ใช่อีกสักวันหนึ่งต่างคนก็ต่างไปเพราะนั้นเราจะไปมัวเมาเอา ไปทะเลาะวิวาทกันให้โง่ทําไมออมีแต่หาทางพ้นทุกข์เท่านะจะทํายังไงจึงจะพ้นทุกข์ตามแนวแถวของพุทธะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงท่านแนะนําสั่งสอนยังไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรพวกเราขอให้ปฏิบัติตามนั้นล่ะนะอต่อเ น, นี้ไปพวกเราสุดท้ายปฏิโมกข์แล้วนะที่นี่นะ